ในฐานะที่ใกล้วันวิสาขาบูชาซึ่งนับเป็นวันสําคัญของชาวพุทธของเรานะคะอยากจะข อ, อกราบนาฏการพระอาจารย์ช่วยให้ทัศนคตออิควรจะวางเจตนากุศลอย่างไรแล้วก็เดินกุศลศีลดูใช้ชีวิตอย่างไรในในเทศกาลนันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี้ยคะ่ะวิสาขาบูชาเนี่ยไปตรงกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพาน ฉะนั้นการประสูติตรัสรู้และปรินิพานเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งถ้าเรามองทางด้านของสาชาตชิถ้าเรามองถึงความสําคัญของการอุบัติเกิดขึ้ น, ว, นวันวันวิสาขะนี่ซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการการประสูติของพระพุทธเจ้าก็ตรงกับวิสาขะใช่ไหมตรัสรู้ก็ตรงใช่ไหม แล้วก็ปรินิพานก็ตกซึ่งมองดูแล้วก็น่าน่าน่าน่านา น, านาปลื้มใจและเชื่อไหมว่าวันที่ทาตุปรินิพานก็จากวันนี้วันนี้อีกสองพันปีข้างหน้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าดวงตาของโลกที่วาเนี่ยนะคือดวงอาทิตย์พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นดวงตาเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวของโลกทั้งสาม คือปกติเนี่ยโลกนี่นะในหมื่นจักรวาลแสนก่จักรวาลแล้วก็หาที่สุดไม่ได้เนี่ยในด้านของชาติเขตอนณาเขตและวิสัยเขตในกามาภูมิรูปภู ม, แภ ม, ม, ม, ภ ม, ภมิและรูปภูมิเนี่ยนะครในบรรดาโลกสามทั้งการมาภูมิรูปภูมิและรูปภูมิเนี่ยมันมืดมานานแล้วเพราะไม่มีดวงตาของโลกคือที่วาคือดวงอาทิตย์เนี่ยนะ คือพระบรมศ า, ศาสดานั้นเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแต่พออยู่ต่อมาพอมีวันวิสาขานี่แหละมีวันประสูติมีวันตรัสรู้มีการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงเป็นวันเกิดขึ้นนะและในขณะเดียวกันก็เป็นวันดับของดวงตาของโลกด้วยนะถ้าวันธาตุปรินิพพานจะมาถึงในอนาคตตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่ควรไปแลไปดูใช่ไหมก็คือเป็นวันาศาสดาของเรานะั่นเอง เป็นวันพระบรมศ า, ศาสดาก็น่าตื่นเต้นเมื่อคาว่าพุทธโธบัตเกิดขึ้นแล้วก็กระแสของพุทธคุณทั้งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยแพ่กระจายไปโดยเฉพาะก็คือเมื่อได้ตัดสู้สำ ม, มาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เริ่มประกาศที่จะลั่นกองอมตะลั่นกองอมตะในที่นั้นก็คือจะประกาศสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาหรือมชิมาปฏิปทา ก็คือประกาศอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวสัมมาวิยามาัสัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าเป็นคารวะก็คือประกาศท า, น, ากศ น, นกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั่นเองที่จะให้หมุนเข้าสู่กระแสจิตใจของสัตว์โลกซึ่งกองภยัยลีกอมตะธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะก็ได้หมุนจริงๆด้วย ในเทศนาครั้งแรกในปฐมเทศนาที่พระบรมศา ส, สดาทรงทาให้เป็นไปนั้นนะ่ะอัญญาโกนัญญาได้ดวงตาหินท ร, รพรมสรบ18โกดเทวดาไม่นับใช่ั้ยแล้วที่สุดจริงๆให้สังเกตดูที่คนที่ได้ตัดสรุรทมเพราะกองอมะตะที่หมุนเข้าสู่กระแสจใจของสัตว์โลกทั้งหลาย <c oughs> ก็ดึงให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากอบายภูมินับไม่ถ้วนอันนี้คือวันสาคัญใช่ไหย ได้วันวิสาขะด้การประสูติขึ้นมาของผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ตัดสรู้แม้ปรินิพานไปแล้วบุคคลได้ดื่มน้ำอำมะตะน้ำอำมฤตคือน้ำพระธรรมแล้วได้พากันมีสุขติเป็นไปหรือได้ตัดสรู้ก็อย่าลืมนะแม้ทุกวันนี้พระธรรมของพระบรมศาสดาที่หมุนอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายได้สุขตินับไม่ทวนและที่บางส่วนก็รังบรรลุ บางส่วนกำลังทาโสดาปิมารให้เกิดก็มีสกาดทาคามาร์กอนาคามาร์อะหัตมาคให้เกิดก็เยอะแต่ละพบแต่ละภูมินี่เนียบางส่วนก็กำลังจะเข้าถึงอยู่บางส่วนก็กำลังดำเนินอยู่เนี่ยได้การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแท้ๆได้ ว, วันวิสาขาเป็นต้นนี้เท่านั้นแท้ๆเราอาจจะเป็นผู้ประมาทแต่เราอย่าเอาตนเองไว้เปรียบ แต่มีบางกลุ่มบางคณะที่เขากําลังเดินกระแสจิตของเขาเพื่อฟังพระสัตธรรมและก็พัฒนาตนเองอยู่เพื่อจะเข้าถึงเพื่อจะระดมกุศลธรรมไม่เข้าถึงอยู่เพื่อจะเข้าถึงโลกรุตละอยู่แต่เราต่างหากเป็นผู้ที่หนักน่วงใช่ไหมจิตของเราไม่ได้ถูกฝึกไม่ถูกขัดเกาต่างหากเราก็เลยเป็นผู้ที่ยังประมาทมัวเมาและจมอยู่ในวัฏะอยู่เรานี่ยังเป็นผู้ที่จมอยู่ในราคะโทสะโมหะนะเราถูกกิเลส รุมร้อมจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเดินผ่าวงล้อมของกิเลสไปได้แต่มีคนบางกลุ่มเขาไม่เป็นทาสของกิเลสเขาไม่ให้กิเลสนั้นคอยบงการชีวิตของเขาเขาแหวกม่านของกิเลสได้และเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจที่เข้มแข็งเดินออกจากกิเลสได้ใช่ัหมและเขาก็เพียรพยายามอยู่และบางคนก็กาลังบรรลุอยู่ก็มีด้วย ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้กระแสชีวิตของเขาเหล่านั้นนั่นแหละเพราะการตัดสรู้ของพระเจ้านั่นแหละคือการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้านั่นแหละคือการปรินิพานโดยขันธปรินิพานของพระเจ้าบางท่านรู้ว่าขันธทปรินิพานเขายิ่งเร่งความเพียรเพราะต่อไปเมื่อธาตุปรินิพานเขาจะาหมดโอกาสแล้วเขายิ่งระดมใหญ่เพียงแต่บางท่านต้นนั้นเองที่ยังมาประมาทมัวเมาอยู่ นี่คือความสำคัญของวิสาขาไงเราจะเห็นความสำคัญว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าเนี่ยเป็นของยากไม่ใช่ง่ายเลยเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเพียรพยายามระดมเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงใช่ไม้มมรรคเรายังไม่ได้ถึงหรือสังมรรคเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุคืออริยผลเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทาให้แจ้งคือพระนิพพานฉะนั้น วิสาขาบูชาคือนิมิตหมายเก่งการตัดสู้ของพระเจ้านิชัดในการประสูติก็ชัดในการปรินิพานก็ชัดพระเจ้าบอกว่าสถานที่ควรเป็นแหลควรให้เกิดสังเวชญาณนะว่าตอนนี้ภาษาสดาอุบัติเกิดขึ้นแล้วเธอทําอะไรกันอยู่ภาษาสดาตัดสู้แล้วกาลังทําอะไรอยู่และภาษาสดาปรินิพานแล้วโดยขันธ์ถ้ปรินิพานเธอกําลังทําอะไรอยู่เนี่ย ลมหายใจก็จะขาดการต่อไปถ้าจะบริญิพานแล้วการศาสนาของเราจะหมดแล้วแล้วมันมืดขึ้นมาแล้วคือคิดว่าจะเอาตัวรอดจากสังสารวัตรไหมถ้าคิดว่าไม่รอดตอนนี้ยังมีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ยังมีพระเจ้าประทับอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมก็รีบเข้าเฝ้าพระเจ้าเสีย 1. รู้จักเขตใช่ไหมรู้จักเหตุแปลว่ารู้จักคําสอนพระเจ้าแค่ไหน สุตตะเคยยะเวยาการณาคาถาอุทาดีดีวุากาทั้งหลายรู้ไหมรู้วินัยบิดกพระสุตันตาบิดกอวิธรมบิดกรู้ศีลสมาธิปัญญารู้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลไหมนี่คือเหตุนะคือธรรมะนะรู้ไหมรู้พระธรรมไหมรู้ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาไหมรู้พระธรรมไหมสอรู้จักผลอัตถะของเนื้อหา ถ้าพูดถึงศรัท ธ, ธารู้จักไหมว่าศรัท ธ, ธาคืออะไรวิริยสติสมาธิปัญญาคืออะไรรู้อัฏฐารู้ความหมายที่แท้จริงไหมเจาะเข้าอัฏฐธรรมะได้ไหมรู้จักเขนแล้วรู้จักตนเองไหมตอนนี้ตอนนี้ศรัท ธ, ธาของตอนเองแค่ไหนเป็นศรัท ธ, ธาตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นแล้วศีลได้แค่ไหนตอนนี้มีกี่ข้อ บางทีเป็นมนุษย์กับเขาทั้งทีแตบางคนศีลไม่ครบห้าข้อนะแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อเรามาเพราะศีล5้าและกุศลกรรมบทสิบเนี่ยแต่เราจะไปในพบต่อไปศีลไม่ครบอ่ะจะว่าไงแต่เนี้ยแล้วกุศลกรรมบทสิบแค่ไหนเนี่ยแล้วสุดต่ล่ะการสั่งสม่ะการฟังล่ะจำอะไรได้บ้างเนี่ยจาคะสลา่าศึกสละเป็นคนน้อมสละแค่ไหนปัญญา เนี่ยเขาเรารู้จักตนไอรู้จักประมาณก็ประมาณในการใช้จ่ายอะไรก็ว่าไปรู้จักการแล้วการนี้เป็นการฟังธรรมอันเนี้ยรู้ไหมเนี่ยอ่ารู้ทําไมนั่งซึมซึมอะอย่างนี้เป็นต้นแล้วการในการสอบถามรู้ไหมการสอบถามการสนทนาใช่ไหมการนี้ควรเจริญกุศลการนี้ควรกระทางานใดๆ ไ, ไปจัดการให้มันรู้ ก็เรายังไม่รู้จักกาละขนาดนี้แล้วก็แล้วเราจะบรรู้อะไรรู้จักการไหมรู้จักชุมชนชมรู้จักบริษัทเราจะเข้าสู่บริษัทของสมณะบริษัทเนี่ยาหาพระเนี่ยรู้จักกษัตริย์บริษัทหรือรู้จักบริษัทชุมชนแต่ละบุญชนเขามีข้อคิดข้อมูลอย่างไรที่เราจะเข้าไปหาเข้าไปสู่และจะปฏิบัติตนอย่างไรเป็นไปกับกุศลไม่เสียจารีศีลเนะี่ย ไม่เสียวาลีศีลนะแล้วรู้จักบุคคลไหมสรุปก็มารู้จักบุคคลก็คือว่าเมื่อมาเนี่ยต้องแยกแยะเป็นใช่ไหมจะดูพวกเราเนี่ยมาต้องดูก่อนนะว่าปรารถนามหาพระนี่แค่มาหาอย่างเดียวต้องการฟังทาหรือเปล่ามาก็ต้องแยกเนี่ยบางคนแค่มาหาอย่างเดียวแต่ไม่ต้องการฟังมาก็คัดอ๋อกลุ่มนี้ไม่ต้องการฟังใช่ไหมกลุ่มนี้ต้องการฟัง แล้วที่ต้องการฟังก็ยังไม่ต้องมาแยกรายละเอียดดีนะฟังแล้วแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอา่อากลุ่มนี้ตั้งใจก็มาแยกอีกตั้งใจแล้วจําได้หรือไม่ได้อา่ากลุ่มนี้จําได้กลุ่มตั้งจําไม่ได้นั้นก็ล่วงไปเป็นระยะระยะอย่าลืมนะเอาฟังแล้วจําได้ด้วยจําได้แล้วพิจารณาไหมอา่าพิจารณาก็มาแยกอีกพิจารณาแล้วเข้าใจอัธถรมมะไหม เอามาแยกอีกพิจารณาเข้าใจแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ปฏิบัติธรรมสมควรจักเป็นเหตุแห่งการบรรลุได้ไหมถ้าก็เรามาดาูนี่ก็แยกแยะบุคคลนี่ก็รู้เหตุผลตนประมาณการอันนี้ก็คือว่าวิสาขาบูชาเนี่ยก็ต้องมาดูจากตัวเองใช่ให้ชัดถ้ารู้ว่าตนเองศรัทธาอย่างน้อยอยู่เพิ่มศีลอยังน้อยอยู่เพิ่ม สุตะยังน้อยอยู่เพิ่มจาคะยังน้อยปัญญาก็เพิ่มดีไหมแบบนี้เนี่ยอันนี้ความสำคัญของวิสาขาก็จะชัดเจนมากนอันนี้สมควรแกเวลาอย่อยาง